วันนี้เป็นวันอังคารที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสิบสองเป็นวันพระวันสร้างบุญบารมี วันติมบุญเติมบารมีบารมีนี้ก็คือปัจจัยหรือธรรมที่จะส่งจิตใจให้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นต่างๆตั้งแต่สวรรค์ชั้นเทพขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม ไปสู่สวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าและไปสุดที่พระนิพพานนี่คือระดับของสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ก็คือความสุขนี่ความสุขใจอิ่มใจสบายใจในขณะที่มีชีวิตอยู่ และขณะที่ร่างกายตายไปก็จะเป็นพบเป็นชาติที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆบางมีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมาเองไม่เหมือนกับฝนฝนตกแดดออก เป็นสิ่งที่เป็นการปรากฏการทางธรรมชาติเราไม่ต้องไปทำอะไรให้ฝนตกเดี๋ยวถึงเวลาฝนมันก็ตกเองเราไม่ต้องไปทำอะไรให้แดดออกเดี๋ยวถึงเวลาแดดมันก็ออกของมันเองแต่บารมีนี้มันไม่เกิดขึ้นมาเองมันไม่ผูดขึ้นมาเอง มันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างกันขึ้นมาแล้วก็ถ้าได้สร้างแล้วก็ต้องคอยเติมให้มันเต็มร้อยเติมให้มันเต็มที่มันถึงจะได้ผลอย่างเต็มที่นั่นแหละที่เป็นสาเหตุทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องกาหนดให้มีวันพระขึ้นมาให้มีการ มาสร้างบุญสร้างบารมีให้มีการมาเติมบุญเติมบารมีกันนั่นเองเพื่อที่จะได้ยกระดับจิตใจยกระดับภพบชาติของผู้ปฏิบัติให้ก้าวขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับถ้าไม่มีการสร้างบุญบารมีไม่มีการเติมบุญบารมี ก็จะไม่มีการเจริญเติบโตขึ้นม่ในทางสวรรค์ชั้นต่างๆได้กับจะมีความเสื่อมบารมีถึงแม้เคยสร้างมาแล้วถ้าไม่รักษาไว้ถ้าไม่คอยเติมไว้อยู่เรื่อยๆบารมีนี้ก็มีวันหมดไปได้ดังนั้นจึงไม่ควรประมาทกัน ควรมีวันที่เราจะต้องคอยเติมบุญบรารมีหรือสร้างบุญบรารมีเหมือนกับเรามีวันที่จะคอยเติมน้ํามันให้กับรถยนต์ของเรามีวันที่เราจะต้องคอยชาร์จแบตเตอรี่มือถือของเราทุกวันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือถือนี่เราต้องคอยชาร์จแบตกันเท่านั้นเพราะรู้ว่าแบตนี้ ถึงแม้ได้ชาร์จเต็มรอยแล้วเดี๋ยวมันก็หมดได้ถึงแม้ไม่ได้ใช้เครื่องเลยวางไว้เฉยๆแบตมันก็จะเสื่อมไปตามการตามเวลาตามธรรมชาติของมันน้ํามันก็รถยนต์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราเติมแล้วเราเราขับรถไปไหนมาไหนแล้วถ้าไม่คอยเติมเดี๋ยวน้ํามันก็หมดได้ เมื่อน้ำมันหมดก็จะไม่สามารถขับรถพาให้เราไปสู่ที่ต่างๆที่เราต้องการจะไปได้นั่นเองเ่ยบญบารมีนี้ก็เปรียบเหมือนกับแบตเตอรี่การชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไฟเข้าในแบตเตอรี่หรือเป็นการเติมน้ำมันเข้าไปสู่ในถังของรถยนต์ถังน้ำมันของรถยนต์ เพื่อที่รถยนต์จะได้ใช้น้ํามันนี้เป็นเครื่องขับเคลื่อน <c oughs> เป็นเครื่องเผา <c oughs> เป็นพลังงานที่จะทําให้เครื่องยนต์นี้สามารถทํางานได้ <c oughs> จิตใจของพวกเราก็เช่นเดียวกัน <c oughs> เป็นเหมือนแบตเตอรี่ <c oughs> เป็นเหมือนรถยนต์ <c oughs> ที่จําเป็นที่จะต้องมีการชาร์จแบบ <c oughs> มีการเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆเพราะพระพุทธเจ้าจึงต้อง กำหนดวันพระขึ้นมาเพราะบางทีถ้าไม่กำหนดแล้วก็จะลืมเพราะมัวแต่เอาใจไปใช้งานต่างๆจนลืมเวลาที่จะเติมบุญเติมบารามีแล้วผลก็จะเกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจลงไป ทุกวันนี้สังคมเราทำไมถึงเสื่อมลงไปทำไมจิตใจของคนในสังคมในโลกนี้จึงตกต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนสมัยของพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเรื่องราวที่เสื่อมโทรมทั้งหลายเลวร้ายทั้งหลายนี้ไม่ค่อยมีปรากฏขึ้นในสังคมแต่ทุกวันนี้ มีแต่เรื่องเ็วร้ายต่างๆนานาที่มนุษย์นักสัตว์ทำทำต่อกันละกันสร้างทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้กับกันและกันเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เติมบุญบารมีกันไม่เคยเข้าวัดเข้าวากันไม่มีวันพระกันมีแต่วัน ทำลายกันทำร้ายกันด้วยอำนาจของฝ่ายต่าก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี่สังคมทั้งวันนี้เสื่อมลงไปตามลาดับเพราะห่างไกลวัดเพราะไม่มีวันพระกันไม่มีการเติมบุญเติมบารมีกันมีแต่เติมกิเลสตัณหาโมหะอวิชชากัน ความโลภก็โลภกันมากขึ้นความโกรธก็โกดกันมากขึ้นความหลงก็หลงกันมากขึ้นจึงทำให้จิตใจเสื่อมโทรมจิตใจต่ำสาัางไม่ต้องไปโทษใครนะโทษตัวเราเองที่ไม่ดูแลรักษาใจของเราไม่คอยเติมบุญบารามีกันมีแต่ เแต่ความโลภความโกรธความหลงกันมันจึงทำให้จิตใจตกต่ำลงจิตใจเสื่อมโทรมลงแล้วก็เกิดการกระทาที่ต่ำทรามต่างๆขึ้นมาปรากฏให้เห็นในข่าวข่าวแทบทุกวันไม่มีวันไม่มีว่างเว้น mm hmm. นี่แหละถ้าเรามองสังคมของเราในวันนี้ mm hmm. เราจะ รู้ว่ามันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนจิตใจของคนเร็วลงไปมากขึ้นมากขึ้นถ้าถามว่าทาไมสังคมจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะสังคมขาดการเติมบุญเติมบารมีกันนั่นเองมัวแต่คอยเติมยาพิษให้กับจิตใจเติมกิเลสเติมตัณหาเติมความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเหมือนกับไฟ ที่จะทำให้จิตใจนี้ร้อนระอุด้วยความเครียดด้วยความวุ่นวายแล้วก็ระบายความเครียดความวุ่นวายใจไปทางกายทางวาจาส่งให้เกิดการกระทําที่รุนแรงต่อผู้แม้แต่บางครั้งแม้กระทั่ ง, บ, ง บ, บุปการี ผู้บีพักกุลอย่างพ่ออย่างแม่ก็ยังทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ได้เวลาที่เกิดอารมณ์เครียดเกิดอารมณ์ว <c oughs> ุ่นวายเกิดความบา้าคลั่งขึ้นมาทำได้ทุกอย่างจิตใจนี้ทำให้เป็นคนบ้าก็ได้ทำให้เป็นพระอระหรันต์ ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จิตใจดวงเดียวกันเหมือนกันจิตใจของพุทธเจ้ากับจิตใจของพวกเราจิตใจกับของคนบ้าข้างนี่เป็นจิตใจเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดแต่รู้ไปในทางผิดคิดไปในทางผิดกอเลยกลายเป็นจิตใจที่บา้าคลั่งขึ้นมาถ้าจิตใจรู้ไปในทางที่ถูก คิดไปในทางที่ถูกจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐอย่างที่ปรากฏให้เราเห็นในตัวของพระพุทธเจ้าและในตัวของพระอรหรันตสาวกทั้งหลายจิตใจของท่านไม่ต่างกับจิตใจของพวกเราเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดเหมือนกัน ร่างกายก็ไม่ต่างกันร่างกายก็เป็นธรรมชาติที่ทำมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันต่างคนที่ต่างกันตรงที่ที่รู้และที่คิดนั่นเองคือรู้ในเรื่องที่ดีคิดในเรื่องที่ดีจึงทำให้มีการกระทำที่ดีตามมาถ้ารู้ไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่ไม่ดี ก็จะเกิดการกระทำที่ไม่ดีตามมานั่นเองอันนี้แหละเป็นต้นเหตุของความเจริญหรือของความเสื่อมของสังคมทุกวันนี้เราหลงประเด็นกันทางโลกนี้เขาคิดว่าความเจริญต้องเจริญด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันเศรษฐกิจจะต้องเจริญต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นมีมีการกระทำมีการผลิตอะไรต่างๆให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นไปตามลำดับแล้วโลกจะเจริญโลกจะมีความสุขแล้วเป็นยังไงลองเปรียบเทียบโลกของเราเมื่อห้าสิบปีก่อนกับโลกของเราวันนี้ทางด้านวัตถุนี่เราจเจริญกันอย่างมหาศาล จเจริญกันแบบที่เป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยห้าสิบปีก่อนนี้ตึกระฟ้าไม่มีในเมืองในกรุงเทพในประเทศไทยมีตึกที่สูงที่สุดอย่างมากก็ห้าชั้นหกชั้นแล้วก็มีเพียงตึกสองตึกเท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นบ้านธรรมดาชั้นเดียวหรือสองชั้นการสัญจรก็ไม่มียานพาหนามากมาย ส่วนใหญ่ก็ใช้การภายเรือกันตามลำคลองไปกันแบบตามธรรมชาติแต่อยู่กันเป็นยังไงอยู่กันยอยู่กันอย่างสุขสบายอย่างเย็นไม่มีความเครียดภายเรือไปเรือไม่ติดมีรถยนต์วิ่งได้เป็นร้อยกิโลต่อชั่วโมงแต่ก็ติดอยู่บนท้องถนนไปช้ากว่าการภายเรือซิติดจกอยู่นั่นเป็นชั่วโมง มีเรือพายนี่พายไปถึงไหนแล้วนี่แหละลองดูเปรียบเทียบดูความเจริญจริงๆว่ามันเจริญจริงหรือไม่จิตใจของคนยุค น, นี้กับคนยุคห้าสิบปีก่อนเหมือนกันไหมยุคห้าสิบปีก่อนนี้่ขโมงขโมยนี้แทบจะไม่มีมีก็น้อยบ้านช่องนี้ไม่ต้องมีลาปะพอนไม่ต้องมีติดตั้งวงจรปิด อะไรต่างๆเปิดกว้างถ้าอยากจะเอาอะไรก็ไปเอามันไม่มีอะไรให้เอาเพราะยุคที่เจริญทางด้านจิตใจยยนี่จะไม่ค่อยเจริญทางด้านวัตถุเทาไหร่ทางทรัพสมบัติข้าวของเงินทองนี่พอมีพอกินก็พอแล้วถ้าไปขโมยขึ้นบ้านก็มีแต่กับข้าวมีแต่ตู้กับข้าวมีแต่หมอ้อข้าวหมอ้อแกงมันก็มรู้จะเอาไปทำอะไร สมัยนี้ไม่รู้เก็บอะไรกันมากมายในบ้านของราคาแพงๆของซื้อมาด้วยเงินด้วยทองมากมายต้องมีตู้เซฟเก็บต้องมีราวพๆคอยคุ้มกันต้องมีวงกล้องวงจรปิดอันนี้แหละเป็นตัวที่จะล่อจิตใจให้ของให้คนที่ที่จิตใจอ่อนแอมากระทํา สิ่งที่เลวร้ายต่างๆกันี่ขอให้รู้ว่าถ้าถ้าใครมาถามว่าพัฒนาประเทศไปในทางที่ถูกหรือไม่ตอบได้เลยว่าผิดไปกําลังไปนรกกันไม่ได้ไปสวรรค์กันไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นเทพชั้นพรมชั้นนิพพานกันแต่กําลังไปสู่อบายชั้นต่างๆไปไปสู่การเป็นเดรัจฉาน ไปสู่การเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปสู่การเป็นนรกไปนรกกันเพราะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงหลงในด้านความเจริญทางด้านวัตถุคิดว่าความเจริญทางด้านวัตถุนี้เป็นความเจริญที่จะนำมาซึ่งความสุขให้แก่จิตใจแต่จิตใจจริงๆเป็นยังไงบ้างสุขกันไหม มีแต่ความเครียดความวิตกความกังวลต่างๆความไม่แน่นอนของชีวิตทุกวันนี้ออกไปนอกบ้านบางทีก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับถึงบ้านหรือเปล่าตายแล้วไม่รู้จะไปตายตรงไหนถูกใครเขาทำร้ายวันดีคืนดีก็ไปเจอลูกหลงเข้าไม่เชื่อก็ลองดูข่าวเลยมีอยู่ทุกวัน คนตายนอกบ้านนี้มีอยู่ทุกวันทั้งๆั้นไม่มีไม่มีเจตนาที่จะออกไปตายกันแต่เรื่องของความบ้าคลั่งของจิตใจที่ปรารจาการดูแลรักษาด้วยบุญบารมีนีม่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวคอยยุย่คอยผักดันให้เกิดการกระทําที่บ้าคลั่งต่างๆ อันนี้พูดเปรียบเทียมให้ฟังถึงการขาดบุญบารมีกับการมีบุญบารมีนี้มันต่างกันเหมือนสวรรค์กับนรกเหมือนฟ้ากับดินพระพุทธเจ้าจึงต้องกําหนดวันพระขึ้นมาเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีวันพระคอยสกัดกั้นความเสื่อมน้ำใจจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆวันพระนี้มีหน้าที่สองระดับด้วยกัน ระดับแรกก็กั้นไว้ไม่ให้จิตใจตกสักตกต่ำลงไปสองผักดันให้จิตใจจเริ่ขึ้นสูงขึ้นไปแต่ถ้าไม่มีวันพระมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรมากั้นความเสื่อมทุกวันนี้คนเด็กสมัยนี้ไม่รู้ว่าวันพรนะเนี่ยวันเนี้ถามเด็กว่าวันนี้วันอะไรไม่มีใครเด็กไม่รู้หรอกวันพระเพราะเขาต้องไปโรงเรียนกัน ไม่เหมือนสมัยก่อนนี่โรงเรียนปิดวันพระกันอยากจะรู้วันพระวันโกดแต่ทุกวันนี้ไม่มีไม่รู้ว่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันพระมีไว้ทําไมแม้แต่พระก็ยังยังไม่รู้เรามีไว้ทําไมเห็นพระผมจีวรยังบอกผมไปทําไมทําไมไม่มาสายกางเกงสายกางเกงจะได้ทำรายได้สะดวกรวดเร็ว มาห่มจีวรแล้วทําอะไรก็ทําไม่ได้เนี่ยไม่รู้เรื่องของพระไม่รู้เรื่องของวัดเลยไม่รู้เรื่องของบุญเรื่องของบารมีเรื่องเรื่องของผลที่จะเกิดตามมาจากการมีบุญบารมีหรือจากการไม่มีบุญบารมีไม่รู้เรื่องเลยเรื่องทางศาสนานี้ถูกปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงเลยจากผู้บริหารของประเทศชาติที่คิดว่าตนเองฉลาดเน ที่จบมาเป็นด็อกเตอร์กันทั้งนั้นที่เป็นผู้ปรึกษาสภาพัฒนาแห่งชาติพัฒนาประเทศชาติด้วยบรรดาพวกที่มีแต่โมหะาาวิชาแต่ในความรู้สึกของเขาเขาคิดว่าเขาเต็มไปด้วยวิชาความรู้เขาเรียนรู้จบวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรต่างๆทาง เศรษฐศาสตร์ทางนิติศาสตร์ทางการบ้านการเมืองจบด็อกเตอร์กันมาได้ปริญญาเอกได้เกียรตินิยมมาดูจากวิธีพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยถาวาวแลวัตถุต่างๆแต่ไม่รู้จักเรื่องของการพัฒนาจิตใจเลยของ และไม่รู้ความสําคัญของจิตใจของการพัฒนาของจิตใจเลยถ้าจําเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างความเจริญของทางด้านเศรษฐกิจกับความเสื่อมของทางด้านจิตใจเขาจะเลือกทางด้านเศรษฐกิจ ท, ทันทีมีการถกเถียงกันมาไม่รู้กี่สิปีแล้วเรื่องเปิดบ่อนดีไหมทําบ่อนให้มันถูกกฎหมายเสีย ทำสร้างเทณีให้มันถูกกฎหมายเสียเพื่อที่จะได้มีรายได้กันมากขึ้นเปิดบอลก็คนก็จะได้มาจับใจ่ายใช้สอยเปิดซ่องคนก็จะได้มาเที่ยวกันแล้วก็จะได้ทุกคนก็จะมีรายได้คนทำงานในบอนก็มีรายได้คนเที่ยวก็มีความสุขเ้าก็จะหาเงินมาเที่ยวอยู่เรื่อยๆเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่รู้ว่ากำลังกระตุ้นโรกกัน mm. กระตุ้ น, นาบายกันจิ mm. ตใจต่ำร้ำลงขึ้นไป mm. คนเสบยาเสบติดกันมากขึ้น mm. เมื่อมีคอนเสบมากขึ้นก็มีคนผลิตคนขายกันมากขึ้น mm. ต่อไปก็คงจะเปิดเสรี mm. ดีไหมจะได้ไม่ต้องมาคอยจั บ, จบยาบ้าจับยาอะไรตอนนี้ก็จะเอากัญชาเป็นเสรีแล้ว mm. มีช่องหน่อยเดียวช่องว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ mm. แต่มันก็ไม่ได้รักษามากมายหรอกมันเพียงแต่ทำมันก็เป็นเหมือนยาสลบยาทำให้จิตใจมันไม่เครียดชั่วคราวเท่านั้นเองแต่มันก็จะทำให้ติดรอกินยาพวกนี้แล้วมันจะติดแล้วเวลาขาดยามันก็จะเป็นอะไรก็เป็นแบบพวกที่ขาดยาแล้วบ้าคลั่งกันนั้นเองมันไม่ใช่เป็นทางที่จะแก้ปัญหาทางสังคมและทางจิตใจ แต่เพราะพวกนี้ไม่เคยเข้าวัดเข้าวากันไม่รู้จักวิชาของพระพุทธเจ้าคิดว่าวิชาที่ตนเองเรียนมานี่แหละเป็นวิชาที่เลิศที่วิเศษกว่าวิชาคําสั่งคําสอนคิดว่าวิชาของพระพุทธเจ้านี้มีเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเฉพาะตัวไม่รู้หรอกว่ามันเป็นวิชาที่ครอบคลุมคนทั้งประเทศ ถ้าคนทั้งประเทศมีศีลมีธรรมมันจะไม่ดีเหรอกับคนทั้งประเทศมีแต่ความผิดศีลผิดธรรมนี้อย่างไหนดีกว่ากันอันนี้เขาคิดไม่เป็นเขาคิดแต่เรื่องประโยชน์ทางด้านร่างกายการอยู่สุขสบายทางร่างกายอยู่สุขสบายทางจิเลสตัณหาความอยาก อยากกินอะไรก็ให้ได้กินตามความอยากอยากดูอยากฟังอะไรก็ให้ได้ดูได้ฟังตามความอยากแล้วชีวิตจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขครามเป็นความสุขที่มีความทุกข์รออยู่ปลายทางเพราะเมื่อวันใดวันหนึ่งเกิดการเกิดการขาดแคลนเงินทองที่จะไปใช้ซื้อความสุขต่างๆแล้ว ตอนนั้นแหละมันจะเกิดความทุกข์เกิดจังเกิดความเครียดและเกิดการกระทําที่ไม่ดีตามมาเงินทองขาดแคลนไม่พอใช้จะทําไงก็ต้องหาวิธีที่ง่ายวิธีง่ายก็หลอกลวงเห็นไหมตอนนี้มีแกงหลอกลวงกันเยอะแยะไปหมดหลอกลวงคนก็หลงเชื่อกันเสียเงนินเสียทองให้เข้าไป หลอกลวงแล้วก็ยังมีวิธีอย่างอื่นป้นจี้ข่ากันเพื่อเอาทรัพย์เอาเงินเอาทองของเขามาใช้ประโยชน์กับของตนเองอันนีน้มันเป็นที่มันขาดเป็นผลที่เกิดจากการขาดบุญขาดบารมีกันนั่นเองถ้ามีการเติมบุญเติมบารมีกันอยู่เรื่อยๆนีรับประกันได้ว่า เหตุการณ์ต่างๆที่มีในบ้านเมืองเหล่นี้จะน้อยลงไปมากๆเกือจะทําให้มันไม่มีอะไรคงไม่ได้แล้วเพราะมันก็ต้องมีบางส่วนที่มันเล่นรอดพวกที่ไม่ยอมเข้าวัดเข้าว่าพวกที่ไม่ยอมสร้างบุญบารมีเพราะไม่สามารถที่จะให้ทุกคนมาสร้างบุญบารมีกันได้แต่อย่างน้อยถ้ามีมากขึ้นคนที่กระทาผิดกระทาความเชื่อมันก็จะน้อยลง แล้วถ้าสามารถทำให้เข้าได้ทุกให้คนเข้าถึงบุญบารมีได้ทุกคนถ้าเป็นไปได้รับประกันได้ว่าคนชั่วจะไม่มีในโลกนี้จะมีแต่คนดีจะไม่มีการกระทาความชั่วต่างๆถึงแม้ว่าจะอยู่กันแบบมักน้อยถึงแม้ว่าจะอยู่กันแบบยากจนอยู่แบบขอทานแต่จิตใจนี้กลับไม่ สทกสถานไม่เดือดร้อนกับความยากจนทางร่างกายเพราะจิตใจนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขและจิตใจที่มีความสุขนี้จะไม่ไปสร้างความเสียหายไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อืน่นจะมีแต่คอยสร้างความสุขให้แก่ผู้อืน่นเวลาที่ผู้อื่นจกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะมีผู้ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างทันทีทันใด นี่แหละคือเรื่องของบุญบารมีและของการที่ไม่มีบุญบารมีกนนันขอให้เราเห็นความสำคัญของบุญบารมีสำคัญยิ่งกว่าการหาอะไรต่างๆมาที่พระเจ้าบอกว่าบุญบารมีนี่คือธรรมธรรมนี่สำคัญกว่าชีวิตสำคัญกว่าอวัยวะ สำคัญกว่าทรัพย์เนี่ยในของสี่อย่างนี้ทรัพย์อวัยวะชีวิตและธรรมนี่ธรรมนี่เป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดให้สละไปถ้าให้เลือกระหว่างทรัพย์กับอวัยวะทรัพย์นี้มันคุณค่ามันน้อยกว่าอวัยวะถ้าเราต้องเสียตาข้างหนึ่งกับเสียเงินล้านหนึ่งเราจะเลือกเสียอะไร ตาบอดดีกว่าตาบอดแล้วรวยกับตาดีแล้วยากจนจะเอาอย่างไร<ม>ถึงแม้ว่าจะยากจนก็ยังทำอะไรได้ไปไหนมาไหนได้ตาบอดแล้วไปทำอะไรได้<ม>ถึงแ ม, ม้จะรวยท่านถึงบอกว่าทรัพย์นี่มีคุณค่าน้อยกว่าอวัยวะถ้าให้เลือกระหว่างทรัพย์กับอวัยวะก็ให้เลือกอวัยวะ ให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะท่านต้องเสียเงินรักษาโรครักษาตารักษาอะไรก็ให้เสียทรัพย์ไปเพื่อรักษาอวัยวะเพราะว่าถ้าอวัยวะยังอยู่ก็ยังสามารถหาเงินใหม่ได้ท่านแต่ถ้าไม่มีอวัยวะนี่บางทีมันทําไม่ได้ชีวิตจะลําบากแขนขาดขาแขา็นี่ทําอะไรลําบากนดีกว่าคนที่แขนไม่ขาดขาไม่ขาดเออ ท่านถึงบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างทรัพย์กับอวัยวะก็ให้สละทรัพย์ไปแล้วระหว่างอวัยวะกับชีวิตอย่างไหนจะสําคัญกว่ากันถ้ามีตามีหูมีหูอะไรแต่ถ้าไม่มีลมหายใจมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าร่างกายตายไปอวัยวะต่างๆของร่างกายก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยดังนั้นถ้าต้องเลือกระหว่างเอ การสละอวัยวะกับเพื่อรักษาชีวิตนี่ก็ต้องยินดีสละอวัยวะไปะตัดแขนไปข้างตัดขาไปข้างนีงเพราะถ้าไม่ตัดเดี๋ยวมันลามปามมันจะทำให้ตายได้ก็ต้องตัด เ, เพื่อที่จะรักษาชีวิตไ เมื่อมีชีวิตก็ยังสามารถทำอะไรได้ถึงแม้อาจจะไม่มากไม่สมบูรณ์เท่ากับตอนที่มีอวัยวะครบอาการ32แต่ก็ยังสามารถทำอะไรต่างๆได้แล้วถ้ามาให้เลือกระหว่างชีวิตกับทรรมเกื้อบุญบารมีต่างๆนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้สละชีวิตไปเพราะชีวิตนี้มันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดี ไม่ต้องไปทำอะไรมันมันถึงเวลามันก็จะตายแต่ทำนี่แหละเป็นสิ่งที่จะอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วและทำนี่แหละที่จะดูแลเราส่งให้เราไปสู่สุคติกันไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆกันป้องการไม่ให้เราต้องไปตกต่ำกันป้องการไม่ให้เราต้องไปตกนรกไปเกิดในอบายกัน อย่างนั้นอย่าละระวังชีวิตกับระวังธรรมะเช่นศีลแธรรมนี้่อันบอกว่าเอาศีลแธรรมจักยอมตายยอมอดตายเช่นถ้าต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายอยู่ได้กับการยอมอดตายเพราะไม่ยอมฆ่าไม่ไม่อยากฆ่าไม่ต้องการที่จะฆ่าสัตว์เพราะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ไม่ว่าจะเหตุผลกลไกใด ถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อป้องกัน ร, รักษาชีวิตของเราก็ตามมันก็เป็นบาปมันเป็นการกระทํำที่จะดึงให้จิตใจลงต่ําทันทีลงให้ไปอยู่ในระดับของเดรฉ า, านตายไปก็ต้องไปเป็นเดรฉ า, านแต่ถ้าไม่ยอมทําบาปยอมอดตายตายไปไม่ไปเป็นเดรฉ า, านตายไปก็ยังอยู่ตั้งอยู่เป็นมนุษย์ต่อไปอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์ ถึงแม้จะไม่ได้ไปสูงกว่านั้นก็ตามเพราะถ้าไม่ได้สร้างบุญบารมีอย่างนื่นก็จะขึ้นสูงกว่านั้นไม่ได้แต่ถ้ารักษาศีลได้ไม่กระทําบาปได้การไม่กระทําบาปนี้การรักษานี้จะเป็นการปิดกั้นประตูสู่อาบายปิดกั้นการลงไปสู่อาบายสีเบลฉานเปรตอสุลกายและนนกนี้ จะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่รักษาศีลห้าได้อย่างเป็นนิสัยเป็นนิจฉิณผู้ที่ไม่กระทาบาปผู้ที่ยามตายดีกว่าทำบาปเพื่อรักษาชีวิตผู้ที่จะทำอย่างนี้ได้อย่างแท้จริงก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปพระอริยบุคคลเพราะพระอริยบุคคลทั้งหลายนี้ท่านจะเห็นผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของตน ถ้าเกิดไปกระทำบาปท่านจึงไม่กล้ากระทำบาปท่านมีฮิริโอ ต, ตะปะเต็มอยู่ในหัวใจรู้ชัดแจ้งไม่สงสัยเรื่องของความสำคัญของศินท่านจึงไม่มีสีรับพะระตปรารม่าท่านไม่รับรูปคำศินท่านไม่สงสัยในเรื่องศินว่าสำคัญจำเป็นขนาดไหนต่อจิตใจของตนอันนี้ นี่คือทาไมพารลยะาทั้งหลายจึงไม่ไปอบายอีกต่อไปเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยญาณอย่างทราบอย่างแท้จริงถึงผลที่จะเกิดกระทบต่อจิตใจถ้าได้มีการกระทำบาปแล้วเพราะบาปนี้แหละจะเป็นตัวที่ไปแปลงจิตใจให้กลายเป็นเดรัจฉานไปนั่นเองจิตใจจากการเป็นมนุษย์จะกลายเป็นเดรัจฉานทันที ถึงถึงจำเป็นจะต้องสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมในขณะนี้เรายัางมีชีวิตอยู่เรามีโอกาสที่จะรักษาธรรมที่เรามีอยู่แล้วให้คงไว้ต่อไปและสามารถเติมสามารถเพิ่มให้มันมีเพิ่มมากขึ้นได้<ส>เพื่อที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นตามลาดับต่อไปถ้าตอนนี้เราอยู่ในระดับมนุษย์ ถ้าเราเติมบุญบา ร, รมีสร้างบุญบา ร, รมีเพิ่มเราก็จะยกระดับขึ้นไปสู่ระดับเทพระดับพรมระดับพระอริยบุคคลระดับพระนิพพานได้ดังนั้นเราจึงต้องมามาเติมบุญกันมาสร้างบุญกันบุญบา ร, รมีก็มีอยู่สิบข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเมตตาบา ร, รมี เมตตาบารมีสร้างยังไงก็สร้างด้วยการไม่จองเวรจองกรรมกันเวลามีปัญหากันมีความโกรธแค้นโกรธเคืองใครให้อภัยเขาอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกันอย่าไปอาฆาตพยาบาทแก้แค้นล้างแค้นตาต่อตาฟันต่อฟันทำอย่างนี้แล้วเราจะไปสร้างเวรกรรม สร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาคนที่เราไปทำร้ายเขาเนี่ยเพราะเขามาทำร้ายเราก่อนพอเราไปทำร้ายเขาเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นศัตรูของเราขึ้นมาทันทีแล้วเขาก็จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราจะคอยรังควานจะคอยรบกวนชีวิตของเราไม่ให้มีความสุขแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเวลาที่เขาทำร้ายเราแล้วเราให้อภัยเขาได้ เราอาจจะเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรก็ได้พอเราเราไม่อาคาาเขาไม่เอาเรื่องเอาเราเขาไม่จองเวรจองกรรมกันเช่นเขามาทำร้ายเราแทนที่เราจะไปฟ้องร้องเขาขึ้นลงขึ้นศาลกันก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นยกประโยชน์ให้กับเขาไปเขาก็จะสบายใจสุขใจขึ้นมาไม่ต้องมาคอยกัวงวลว่าจะต้องไปขึ้นติดคุกติดตารางหรือไม่ ต้องถูกปรับหรือไม่แล้วแทนที่เขาจะโกรธเกลียดเราเขาก็กลับกายจะมาชอบเราได้รักเราได้เมตตา ค, คือการสร้างความรักระหว่างกันแลกันให้เกิดขึ้ น, นวิธีหนึ่งก็คือด้วยการไม่จองเวรกันให้อภัยกั น, นการเจริญเมตตานี้ต้องทำด้วยการกระทำ ไม่ได้ทำด้วยการสวดอย่างที่พวกเราเข้าใจกนะันว่าเราคิดว่าสวนบทแผ่เมตตาแล้วเราได้แผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งปวงอันนั้นมันเป็นความคิดเพ้อเจ้อคิดตามความพูดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นแค่คำพูดเท่านั้นเองว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดแต่ที่ไหนได้ยังไปโกรธเกลียดสามีโกรธเกลียดคนใกล้ตัวเองดีไม่ดีถึงกับ ฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลกันแต่ทุกคืนก็สวดสัพเพสัตตาเอาเวลาโหนตุมันเป็นเรื่องของเรื่องของวาจาเรื่องของคำพูดเฉยๆไม่ใช่เป็นการแพนะ่การแพน่ต้องเป็นการกระทำนะถ้าตอนตอนนี้มีคดีความกับใครถอนฟ้องไปเลยจบนะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการอเวลาโหนตุให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมกันเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาแล้ว มันก็ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ไปไปจองเวรจองกรรมกันก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกทําให้หนักขึ้นกว่าเดิมอตอนต้นเขาเกลียดเรานิดหน่อยพอเราไปจองเวรจองกรรมไปฟ้องร้องเขาทีนี้เขาก็ยังเกลียดพอเราเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าแต่ถ้าเราให้อภัยเขาได้ความเกลียดชังที่เขามีอยู่กับเราในตอนต้นก็อาอาจจะหายไปเลยก็ได้ าอาจจะคิดว่าโอ้ยคนนี้ดีนะเขาไม่เอาเรื่องเราเราดีไม่ดีก็อยากจะกลับมาเป็นมิตรกับเราก็มีเ <Yeah. S 1> น, น, นี่คือวิธีการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเนะเปลี่ยนด้วยการให้อภัยกัน <Yeah. S 1> นี่คือการการกา ร, การกระทําการเจริญเมตตาต้องทําด้วยการกระทําเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องทํานำะถึงเวลาที่จะต้องให้อภยัยก็ต้องให้อภัยกันไป เรื่องราวมันจะได้จบกันไม่มาคาราคาสังอยู่ในใจทั้งของเราและทั้งของเขาถ้ายังมีเรื่องราวคาราคาสังอยู่ในใจเวลาเจอหน้ากันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกไม่ดีต่อกันทันทีแต่ถ้าเราเคลียรเรื่องราวเหล่านี้ออกไปจากใจได้นะเวลาเจอกันนี้จะรู้สึกเฉยเฉยจะรู้สึกว่าไม่เดือดร้อนไม่กังวลไม่วิตกอันนี้คือวิธีเจริญเมตตา ข้อที่หนึ่งก็คือการไม่จองเวรกันอาเวลาโหนตุกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักคนที่เรารักหรือคนที่เราเกลียดเ mm hmm. มื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เราโกรธแค้นเสียหายก็อย่าไปจองเวรจองกลับกันถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันถือว่าเป็นความซวยของเราก็แล้วกันที่จะต้องมาเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้ mm hmm. แต่เราก็สามารถควบคุม ความช่วยของเราอย่าให้มันขยายตัวออกไปด้วยการไปจองเวรจองกรรมกันไปจองเวรจองกรรมกันเดี๋ยวความชวยมันจะมากขึ้นอย่างนั้นก็ยอมยอมเสียแค่เด้งเดียวก็พออย่าไปขยายมันเดี๋ยวต้องเสียหลายต่อแล้วกันพอเราไปฟ้องเขาเดี๋ยวก็หาช่อหาช่องฟ้องเรากลับเอกีกเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันไปใหญ่นี่คือข้อที่หนึ่งของความมีเมตตาท่านบอกว่าให้เรา ให้อภัยกันอย่าจองเวรจองกรรมกันข้อที่สองก็อย่าเบียดเบียนกันทำอะไรอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายทำอะไรต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นไม่ใช่ว่าเราทำแล้วเราไม่ไม่แคร์ใครจะเดือดร้อนใครจะเป็นัไงฉันไม่สนใจขอให้ฉันมีความสุขก็พอ กินเหล้าเมายาเปิดเพลงลั่นตลอดทั้งคืนชาวบ้านนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนี้มันเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนกันถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรกับตัวเขากระตามแต่าการกระทําของเรานี้อาจจะทําให้ผู้อื่นเ้าเสียหายหเดือดร้อนได้ต้องคานึงอย่าไปทําอะไรแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าเขามาขอความขอร้องก็เราก็ต้องสงสารเขาเมตตาเขาปรับตัวเราเองปรับการกระทําของเรา เพื่อไม่ให้ไปกระทบกับเขาทั้งวันเนี่ยปัญหาชาวบ้านอยู่ด้วยกันก็เริ่มเบียดเบียนกันแบบที่ไม่ตั้งใจบางที่สุนัขของตนก็ไปขี้สุนขัขไปขี้ที่หน้าบ้านของคนอื่นคนอื่นเขาก็เดือดร้อนต้องคอยมาเก็บขี้ของของสุนัขของเราเราเข้ามาบ่นกับเราก็กลับไปไปด่าเขเอีกไปว่าเขาอีกอย่างนี้มันก็เนี่ยมันขาดความเมตตากันถ้ามีความเมตตาเราก็ต้องคอยคอยคอ ย, คอยสอนสุนัขให้มัน ขับถ่ายเป็นเป็นที่นะความจริงสอนให้มันที่ขับถ่ายในบ้านเราก็ได้แต่เราไม่อยากจะเก็บที่มาเนี่ยอยากให้คนเขาเก็บให้เราเนี่ยก็เลยปล่อยประละเลยแล้วเลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาถ้ามันค้างคาอยู่นานๆบางทีเดี๋ยวก็ยีกันตายเลยบางทีมันทนไม่ไหวเนี่ยมันพอพูดไปแล้วกลับมาโต้โต้เถียงกันด่ากันไปด่ากันมาเนี่ย เดี๋ยวก็ได้ที่สุดก็ตายพวกขี้มาเพราะไม่รู้จักคำว่าไม่เบียดเบียนกันการกระทำอะไรอย่าไปเบียดเบียนกันข้อที่สามทำอะไรก็อย่าไปทำให้เขาเจ็บทางร่างกายหรือทางจิตใจบางทีเราทำอะไรแล้วไปทำให้ต้องไปขับรถไปแล้วเมาไปทำให้เขาไปชนเขาทำให้เขาเจ็บกายและเจ็บใจ ก็อยากทาอยากไปดื่มโุราถ้าดื่มสุราแล้วก็อยากขับเนี่ยสมัยนี้เขามีบริการใช่ไหมถ้าใครจะดื่มโุราเขามีบริการรถมารับแล้วมีบริการคนมาขับรถให้คนขับรถนี้จะไม่ดื่มสุราจะมาคอยขับรถพาให้กลับไปบ้านอย่างปลอดภัยถ้าอยากจะดื่มสุราความจริงก็ไม่ควรดื่มสุราเพราะโซดานี่มันเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง อย่าไปดื่มมันวิธีแก้ความทุกข์ไม่ใช่เดื่มด้วยการดื่มชโลราวิธีหาความสุขไม่ใช่การดื่มชโลลาแล้วมันมีวิธีอื่นวิธีทําบุญทาทานวิธีรักษาศีล ม, มันวิธีนอนก็ได้ถ้าไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ก็นอนมั้ซะนอนพอหลับแล้วความทุกข์ก็หายไปปัญหาที่จะตามมาจากการดื่มชโลลาก็ไม่มี งั้นอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการบรรเทาความเครียดความทุกข์ของเราเองแล้วไปสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายทางร่างกายและทางจิตใจอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อข้อที่สองไม่เบียดเบียนกันแต่อาจจะหนักหน่อยถึงถึงกับขั้นทําให้เขาต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือหรือเจ็บใจอย่าไปทําอะไรเพราะมันจะไปสร้างความเครียดความแค้นต่อผู้อื่น จะเป็นการไปสร้างเวรสร้างกรรมแล้วพอเขากลับมาทำร้ายเราเราก็ยิงย่งโกรธเขามากขึ้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมาได้ถึงกับฆ่าฟันกันได้ในที่สุดข้อที่สามนี้พรเจ้าจึงบอกว่าอานิฆาโหงตุงยงยาทำให้ผู้อืน่นทุกกายทุกใจเลยเถิดแล้วข้อที่สี่ก็คือให้ความสุขกับผู้อืน่น เรามีความสุขล้นเหลือในใจเรามีข้าวของมากมายแบ่งให้คนอื่นเขาใช้บ้างบนแบ่งให้คนก็กินบ้างอของเราก็กินไม่หมดเก็บไว้ดีไม่ดีก็ทิ้งถังขยะไปไปทิ้งมันทําไมของดีๆแต่มันเน่าแล้วนั่นั้นก็เราก็รู้เนี่ยว่าเรากินได้แค่ไหนส่วนที่เราไม่กินก็ให้เขาไปเถิดใครให้ใครก็ได้แม้แต่ให้สุนัข ก, ก็ได้ถ้าอยากให้สัตว์ก็ได้ให้แล้วมันจะทําให้เรามีความสุข แล้วผู้ที่รับของที่เราให้เขาเขาก็มีความสุขเหมือนกัน น, นี่คือใ ห, ให้ความสุขแก่กันและกันด้วยการให้ความสุขที่เรามีเกินกว่าที่เราจะจะบริโภคได้จะเก็บไว้ได้ก็ แ, แบ่งปันกันไปอันนี้คือลักษณะของการแผ่เมตตาการสร้างเมตตาบารมีการเติมเมตตาเนี่ยทำด้วยการกระทำสี่แบบนี้ เป็นหนึ่งด้วยการไม่จองเวรให้อภัยกันสองไม่เบียดเบียนกันสามไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันสี่ให้ความสุขต่อกันอันนี้แหละเป็นการจระนันเมตตาที่เราควรจะกระทำกัน เวลาที่มีโอกาสให้กระทาไม่จาเป็นว่าจะต้องไปหาโอกาสมาทำให้โอกาสเั็นโผล่ขึ้นมาเองถ้าไม่มีเรื่องมีลาวกับใครก็ไม่ต้องไปให้อภยัยใครไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปไม่ไม่จองเวรกันเพราะไม่มีเรื่องแต่ถ้ามีเรื่องอะตอนนั้น่ะถึงจะต้องใช้ถ้ามีคดีความกันอย่างนี้เช็นขับรถไปชนกันอย่างนี้ ถ้าต่างฝ่ายต่างมีประกันก็อ่ะต่างฝ่ายต่างไปก็แล้วกันไม่ต้องไปมาทะเลาะกันใครผิดใครถูกอะไรนะก็ยอมรับว่าผิดด้วยกันทั้งคู่กลันถ้าไม่ผิดมันก็คงยังไม่ชนกันหรอกนะคิดอย่างนี้แล้วเรื่องมันก็จบรถก็ไม่ติดบางทีรถจอดติดเทียงกันอยู่นั่นอนะ่ะชาวบงชาวบ้านเนี่ไปเบียดเบียนชาวบ้านเขาด้วยการไปนั่งเถียงกันกลางถนนขยับรถก็ขยับไม่ได้เดี๋ยวหลักฐานมันเปลี่ยนไปอ แล้วทำให้รถติดยาวเหยียดบางทีรถพยาบาลจะพาคนไข้ไปโรงพยาบาล mm hmm. ก็ไปไม่ได้คนไข้ตายในรถพอดีก็มีเพราะความเห็นแก่ตัวของคนบางคนอย่างวันก่อนมีคลิปหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูรถเมย์เนี่ยไม่ยอมลงถามคนกระเป๋าว่ารถคันนี้พาไปไหน พอกก็ตอบไม่ได้ไปที่จุดตัวเองก็เปิดดูมือถือว่าจะหาข้อมูลว่ารถเที่ยวไหนเบอร์ไหนพาไปไม่ยอมลงจากประตูรถอย่างเงี้ยยืนอยู่ขวางประตูอย่างเงี้ยแล้วขวางประตูประตูงับปิดไม่ได้ประตูปิดไม่ได้รถก็วิ่งไม่ได้ไม่ยอมเดินลงไปคนอื่นก็ไม่กล้าไปทำอะไรเดี๋ยวจะหาว่ากลายเป็นไปทำร้ายร่างกายเขา อันนี้แหละเป็นการกระทําที่เบียดเบียนผู้อื่นโดยโดยไม่รู้สึกตัวโดยคิดแต่ประโยชน์ของตนเองเพียงอย่างเดียวนี่นี้แหละคือลักษณะของคนที่ไม่เข้าวัดไม่มีธรรมะไม่มีไม่มีเมตตาต่อกันคนที่เห็นแก่ตัวนี่แหละมักจะเป็นคนที่ขาดความเมตตาเพราะไม่คิดถึง คนกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นจากการกระทําของตนเองตนเองต้องการจะทำอะไรไม่สนใจจะทําอย่างเดียวจะต้องทําให้ได้ส่วนคนอื่นจะเดือดร้อนอย่างไรนี้ไม่สนใจแล้วเดี๋ยวไปเจอคนที่เขาทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาก็จับมาต่อยตีกันทุกตีกันอีกอันนี้คือเรื่องของเมตานะ สามให้ให้ให้ทำในกรณีที่มีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ใช่มานั่งสวดแล้วว่าเราได้แผ่เมตตาแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องเวลาเวลาเวลาจเป็นจะต้องให้อภัยก็ให้อภัยเวลาทำอะไรก็อย่าไปทาให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเวลาจะทำอะไรก็อย่าไปทาให้ร่างกายของอื่นเขาเจ็บจิตใจเขาเสีย แล้วถ้าเรามีอะไรที่เหลือกินเหลือใช้หรือทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเขามีความสุขได้อยากจะมีความสุขก็ให้ความสุขเขาไปอาจจะไม่ต้องมีสิ่งของก็ได้ทำอะไรสักอย่างให้เขาก็ได้เขากำลังไม่สบายไม่มีใครซักเสื้อผ้าให้เขานี่ก็เอาเสื้อผ้าไปซักให้เขาสักหน่อยแค่นี้เขาก็มีความสุขละจากการที่เราได้ช่วยเหลือเขาทำประโยชน์ให้กับเขา คนเราไม่จาเป็นว่าจะเป็นจะต้องมีเงินมีของอย่างเดียวถึงจะให้ความสุขกับผู้่นได้มิธีให้ความสุขกับผู้่นนี้เกิดจากการกระทำความดีของเราได้ช่วยเหลือกันทางานให้เขาบ้านเขาสดเขาปลกก็ช่วยกวาดถูเช็ดให้มันสะอาดอะไรทานองนี้มันก็ทําให้เขามีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขจากการกระทำของเรานะ นี่คือเรื่องบารมีข้อที่หนึ่งคือเมตตาบารมีที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราพยายามเจริญกันอยู่เรื่อยๆเป็นรากฐานของบารมีทั้งหมดนีก่อนที่เราจะสร้างบารมีอย่างอื่นได้นี้เราจําเป็นที่จะต้องมีเมตตาบารมีก่อนถ้าเราขานเมตตาบารมีแล้วเราจะรู้สึก ว่าจะสร้างบา ร, รมีอย่างอื่นไม่ได้เช่นทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมภะบา ร, รมีอะไรต่างๆนี้จะทําไม่ได้เหมือนกับการสร้างอาคารสูงๆนี่ต้องตอกเสาเข็มก่อนตอกเสาเข็มให้ฐานรากมันแข็งแรงเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักของอาคารสูงๆได้ถ้าไ ม, ม่มีไม่มีการตอกเสาเข็มสร้างบนดินที่ไม่แน่นไม่แข็งนี้ สร้างตึกไปสูงๆน้ำหนักมากเดี๋ยวมันก็ทรุดลงมาเอน็นพังลงมาสังเกตดูเวลาเขาสร้างตึกท่าอาคารใหญ่ๆนี้เขาต้องตอกเสาเข็มกันก่อนเพื่อให้มันมีรากฐานที่แข็งแรงที่จะรองรับน้ำหนักของตัวอาคารได้อย่างไม่มีผลเสียหายอันนี้ก็เหมือนกันการที่จะสร้างบารมีต่างๆได้นี้เราต้องตอกเสาเข็มคือเมตตาลงไปในใจของเราก่อน เมตานี้เป็นธรรมที่สําคัญอย่างมากในการที่จะสร้างบุญบารมีชนิดอื่นฉะนั้นขอให้เราให้ความสําคัญกับการสร้างเมตตาบารมีก่อนแล้วการสร้างเมตตาบารมีอย่างเดียวนี้ก็มีผลเกิดขึ้นแล้วต้องสิบประการด้วยกันอนิสงส์สิบชนิดแต่คงจําไม่ได้หมดจะพูดเท่าที่จะจําได้ผลแรกที่จะได้จากการมีความเมตตาจากการกระทําเมตตา ก็คือจะมีความสุข<ม>เต่นก็สุขหลับก็สุข<ม>นอนหลับก็ไม่ฝันร้าย<ม>คนที่ฝันร้ายนี่แสดงว่าไม่มีความเมตตา<ม>นอนหลับเพราะเวลาเต่นไปทำร้ายผู้อื่นเราไปทำร้ายผู้อื่น<ม>เหตุการณ์ที่เราไปทำมันฝังอยู่ในใจเราพอเรานอนหลับมันก็เอาเหตุการณ์ที่เราไปทำไม่ดีนี่มาโผล่เป็นความฝันเราก็เลยมักจะฝันไม่ดีกัน ถ้าฝันดีก็เป็นเพราะว่าเราทําความดีกันถ้าเราฝันร้ายนี่แสดงว่าเป็นบาปเราทําบาปมากันนี่เป็นวิธีที่เราจะวัดปริมาณความดีหรือบุญกับบาปในใจของเราได้เวัดอยู่ตอนที่เรานอนหลับเนี่แหละถ้าเรานอนหลับแล้วฝันฝันฝันร้ายอยู่เรื่อยๆฝันร้ายมากกว่าฝันดีเนี่ยแสดงว่าเราทําบาปมาัมากกว่าทําบุญ แต่ถ้าเราทำเราฝันดีมากกว่าฝันร้ายเนี่ยแสดงว่าเราทําบุญมากกว่าทำบาปตายไปเราไปสุคติถ้าเราฝันฝันร้ายมากกว่าฝันดีเนี่ยตายไปไปอบายนี่ยะอยาตอนที่มีชีวิตอยู่ยังแก้ไขได้ถ้าฝันร้ายมากกว่าฝันดีก็รีบทําความดีให้มากขึ้นเจริญเมตตาเจริญบารมีให้มากขึ้นแล้วต่อไปฝันร้ายมันก็จะน้อยลงฝันดีมันก็จะมากขึ้นไปเอง นอนหลับก็จะฝันดีนอนหลับจะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีคนรักมนุษย์ก็ชอบคนดีคนเมตตานี้ไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครนลังเกลียดมีแต่คนรักคนชอบเทวดาก็ชอบแล้วก็จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาอันนี้แล้วก็จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษ อาวุธยาพิษนี่มันเกิดจากคนใช่ไหมคนใส่ยาเราเอามีดเอาปืนมายิงเราแต่ถ้าเราไม่มีศัตรูมีใครเขาจะมาวางยาเราทําไมมีใครเขาจะมายิงเราฟันเราแทงเราทําไมอันนี้ก็จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษจะตายแบบธรรมชาติตายแบบเพราะว่ามันหมดอายุไข่หมดลมหายใจไปแล้วก็ถ้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่าย แล้วถ้าตายไปนี้ก็จะไปสู่สุคติสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งถ้ายังไม่ถึงสวรรค์ชั้นนิพพานก็ต้องได้สวรรค์อื่นชั้นใดชั้นหนึ่งไปก่อนอันนี้แหละคือประโยชน์สุขของการเจริญบุญบา ร, รมีข้อที่หนึ่งข้อเดียวท่านนอ่คือเมตตาบา ร, รมีแต่ความสำคัญของเมตตาบา ร, รมีนี้อยู่ตรงที่ว่ามันจะเป็นเป็นรากฐานที่จะสนับสนุนการสร้างบา ร, รมีอย่างอื่นต่อมา ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าและดีกว่าจนถึงขั้นสูงสุดนี้เรายังต้องเจริญมากกว่าบะเมตตาบา ร, รมีเพียงอย่างเดียวเราต้องสร้างบา ร, รมีข้อที่สองคือทานบา ร, รมีทานบา ร, รมีก็คือการให้นี่เนะนี่ยที่ญาติโยมเอาข้าวเอาของมาทำบุญเนี่ยเรียกว่าทานบาลมีแบ่งปันเจสระข้าวของเงินทองที่เราพอที่จะแบ่งได้ คือเราขาดมันก็ไม่เดือดร้อนตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าไม่เอามาทำบุญมันไม่เป็นบุญนะมันก็เป็นแค่เงินทองเป็นกระดาษเป็นอะไรของมันเป็นตัวเลขเท่านั้นเองมันจะเป็นประโยชน์ได้มันจะเป็นทานบารมีได้ก็ต่อเมื่อเราเอามาแบ่งปันกันเอามาแจกจ่ายกันแบ่งปันให้คนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อน การทำทานนี่ครัทำได้หลายรูปแบบกับหลายหลายหายคนหลายบุคคลด้วยคนที่รวยเราก็ทำได้ตอบเขาเช่นเราต้องการตอบแทนบุญคุณเขาวันเกิดเขาเราก็ไปซื้อของขวัญไปให้เขาอะไรอย่างนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการเขาไม่เดือดร้อนแต่ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณเราก็เราก็ควรจะกระทำอันนี้เป็นการเป็นหน้าที่ของเรา พ่อแม่ของเราเ็าอาจจะสุขสบายเขาพออยู่พอกินก็ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยประละเลยว่าเขาพ่อแม่อยู่ดีกินดีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรก็ไม่ถูกเราต้องมีความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณมีอะไรที่เราทำได้ทำให้เขามีความสุขสิ่งที่เขาได้ไม่ได้เขาไม่ได้สุขเพราะว่าของที่เราให้เนี่ยแต่เขาสุขเพราะน้ำใจของเรา จกที่เห็นว่าเราเป็นคนมีความกตันยูกรตะเวทีมีความเคารพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขที่เห็นลูกเป็นคนดีเวลาตายตายจะได้ตายอย่างตาหลับไม่ต้องมาห่วงว่าลูกมันจะไปเกิดเป็นเตเป็นผีเป็นเดรัจฉานหรือเปล่าเพราะเห็นว่าลูกนี้มีการทำบุญทำทานมีการเสียสละแบ่งปันถึงแม้พ่อแม่ไม่เดือดร้อนก็ยังบุษามาให้อยู่ดี แล้วพอแม่เ้าก็เก็บไว้ให้เราทนะั้งนั้น่ะเขาจะาไปทำอะไรตายไปมันก็เป็นของเราอยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นให้ได้นะไม่ใช่เป็นว่าจะต้องให้แต่คนยากคนจนคนที่เสียหายเดือดร้อนมันมีหลายวิธีด้วยกันการทำทานขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับความจาเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนที่เขามีบุญคุณกับเรานี่เราไม่ควรจะลรมบุญคุณของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการ ผลตอบแทนข้อการตอบแทนบุญคุณแต่อย่างไดแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องแสดงความสำนึกแสดงความกตัญญูกตเวทีเขามีมากมีน้อยก็ให้เขาไปเป็นการแสดงน้ำใจว่าเราก็เป็นคนที่มีความสำนึกในบุญคุณของเขานะไม่ลืมบุญคุณนะอันนี้พอมีอะไรที่จะทำให้เขาได้หรือให้เขาได้ก็ทำให้เขาไป ทางทั้งที่เขาก็ไม่ได้หวังอะไรไม่เรียกร้องอะไรไม่บังคับเราอันนั้นเขาบังคับไม่ได้เพราะเขาไม่เขาไม่ต้องการอะไรจากเราคนที่ทำทานนี้ไม่ต้องการอะไรจากคนที่รับแต่คนที่รับนี่ต้องมีจิตสำนึกมีจิตสำนึกที่จะต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณถ้าทำได้ถ้ายังทำไม่ได้ก็รอไว้ก่อนก็ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องบังคับให้ทาทันทีทันใด ความหมายก็คือให้เรารู้จักเสียสละแบ่งปันความสุขของเราให้กับผู้อื่นผู้ที่มีพระคุณกับเรานี่เป็นผู้สำคัญกว่าผู้ที่ไม่มีพ่คุณผู้ที่ไม่มีพรอคุ ณ, คณบางทีเรายังทำได้เช่นเราไปปล่อยนกปล่อยปลานี่นกปลามันไม่มีบุญคุณอะไรกับเราแต่เรายังทำทาประโยชน์ให้กับมันได้แล้วกับคนที่เขามีบุญคุณกับเรามีเราจะทำทาอะไรให้เขาบ้างไม่ได้เลยนะ การทำทานนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำกับพระทํากับคนยากคนจนเพียงเดียวทํากับผู้มีพระคุณก่าของเราก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ทําไปถ้าเดือดร้อนไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นปัญหาเลย ขอให้เราได้ทำไดตต้ตอบแทนบุญคุณของท่านถ้ามีโอกาสพอถึงมีวันไหว้ครูกันไงมีวันไหว้ครูเวลาหรือว่าเวลามีวันเกิดของผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพระคุณเราก็ต้องไปสแสดงมุติตาจิตแสดงความกตัญญูกตเวทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทาทานเป็นการให้เสียสละแบ่งปันความสุขประโยชน์ของเราให้แก่ผู้บ้างอย่าคิดเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเพียงอย่างเดียว พ่ามันจะกลายเป็นความโลภไปเราต้องคอยสกัดความโลภเออเาความสุขพอประมาณก็พอพอให้อยู่ได้พอชีวิตเราอยู่ได้ร่างกายของเราไม่เดือดร้อนแล้วอ<ม>ก็ควรจะคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นบ้างเราอยู่ในโลกนี้อยู่ร่วมกันโลานี้จะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะเมื่อมีการแบ่งปันกันมีการดูแลกันมีการช่วยเหลือกัน ไม่ใชอ่อยู่กันแบบดูดายไม่เหลียวแลไม่สนใจจะเป็นจะตายอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวทตามกรรมอันนี้ก็จะทำให้เป็นสั ง, สงคมที่แรนแคนสังคมที่ไม่มีความสุขนี่คือเรื่องของการทำทาน สิ่งที่ให้นี่ก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยการที่เราสามารถที่จะให้ถ้าเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองก็ให้ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองไปตามกำลังของเราอันนี้ก็เรียกว่าวัตถุทานถ้าเรามีวิชาความรู้เรารู้จักวิธีเย็บปักถักร่อวิธีทากับข้าวหรือวิชาอะไรต่างๆวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤ ษ, า ษ, า ษ, า ษ, าษา เราก็เอาไปสอนคนอื่นให้เขาได้รับความมีวันนี้โดยไม่คิดสตังค์ให้ฟรีๆอันนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานแล้วก็ถ้าเรามีมีใครเขา้ามาทำเรื่องราวให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเราก็ให้อภัยเขาได้อันนี้ก็เรียกว่าให้อภัยทานแล้วข้อที่สี่ถ้าเรามีธรรมะหรือเรารู้จักธรรมะที่มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจ เราก็แบ่งปันเขาได้มีหนังสือดีๆเราอ่านจบแล้วเราไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บไว้ถ้าใครเขามีความทุกข์เดือดร้อนไม่มีธรรมะก็ให้หนังสือเข้าไปหรือถ้าเรามีกําลังเราอยากจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทานการให้ทั้งสีอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าการให้ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดธรรมทาน เพราะว่าธรรมะนี่เป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหลายที่ทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเพราะลถแห่งธรรมคือลถของการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะให้จิตใจของสัตว์โลกหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งอย่งอางอนนี้ก็ให้พ้นจากความทุกข์ทางร่างกายได้แต่พ้นความทุกข์ทางใจนี้พ้นไม่ได้ มีข้าวของเงินทองก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนทางร่างกายได้มีความรู้าไปประกอบวิชาชีพก็มีรายได้เอามาเลี้ยงดูร่างกายได้มีปัญหาต่อกันถ้าให้อภัยกันมันก็ทำให้ปลอดภัย<ม>แต่ใจก็ยังทุกข์ได้อยู่<ม>แต่ถ้าจะไม่ให้อยากให้ใจทุกข์เลยนี้ต้องให้ธรรมะธรรมทานทานยังแ ส, สดงว่าการให้ธร ร, รมะนี้ชนะการให้ทั้งปวง ถ้าใครมีธรรมะแล้วคนนั้นจะไม่มีความทุกข์นั่นเองผู้นั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นนิพพานนี่อพระพุทธเจ้าอยู่ที่นิพพานใครเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปนิพพานไปนิพพานก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมพาไปนี่ก็คือเรื่องบารมีวันนี้ก็เอามาฝากท่านเพียงสองข้อแรกก็คือเมตตาบารมีและทานบารมี โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสถ้าไม่ลืมก็อาจจะเอามาต่ออีกแต่ถ้าไม่ต่อก็ไม่เป็นไรเพรื่องธรรมานี่มันก็สามารถฟังได้ทุกเรื่องทุกเราวมันเกี่ยวข้องกันมีประโยชน์ต่อกันได้ประโยชน์เหมือนกันการแสดงสําหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควนกลรรางกาลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคขังเอวเมีวาอิโตทินังเตตานังอุปกาปติ ยึีตางปฏที่ตามตุมหางทิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยธานานิโชติอาราโสยธาสัพพิติโอวิวัจฉาตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตาลาโยสิกิติขายุโก อวะอะพิวะธนสิลิสะนิจังวุธาปจายินุจตารูธามาวะทานติอายุวันุสุขังภาลางช่วงต่อไปก็เป็นช่วงฐานตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม ก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากที่เลิกแล้วก็จะไม่สะดวกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาหรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง Youtube ได้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานช่วยเอามาอ่านถามต่อไปวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ YouTube พระอาจารย์สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอกตรวีหนึ่งรอยสามวิดออนไลน์สิบัลโห้สิบสี่หน้ากุติหกสิบหกมทั้งสิ้นเก้าร้อยเก้าสิบหกท่านเจ้ถ้ามีคำถามก็เอามาถามได้เลยเป็นงาทัสองคนพอไหมพอนะทีมงานสองคนงนี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องมากนะ อายังไม่มีคําถามเข้าได้ยังไม่มีคําถามเลยอมีใครอยากจะถามอะไรไหมการถามตอบนี้การถามคําถามนี้ไม่ได้เป็นแสดงความโง่นะแสดงความฉลาดยอมรับว่าเรายังไม่รู้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอ่ะอ่ะหยบไปแล้วพูดเองเลยพูดเด้วยปา พูดเองเลยฮะเลยก็เลยกำลังใจพูดหน่อยพูดหน่อยเลยอยากจะกราบเรียนเจ้าค่ว่าผู้ที่นำพาแล้วพาเรามากับทา่านกราบพระหรือไปทําบุญทั่วทวไปเนี่ยเขาจะได้บุญมากไหมเจ้าค่ได้ก็ บ, บ, บุญที่บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นไงก็เป็นวิธีหนึง่งแล้วมีความสุขไหมละ่ะ <c oughs> ไป <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละเขาบุญเขาอุตส่าห์พามาเลยอยากให้พูดเป็นกําลังใจให้เขาได้เขาเสียสละแทนที่เขาจะเวลาไปทำมาหากินไปทําอะไรไปเที่ยวไปอะไรเขาก็เสีย เวละเวลานั้นมาทำประโยชน์ให้กับเรา อ, อันนี้คือเป็นกําลัง ใ, ใจให้เธอเข้าสภ า, ามาได้ดี อันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึง่งบางทีเราไม่มีเงินมีทองแต่เรามีเวลาว่างเราก็ทําประโยชน์ได้คนลดพามาสามีนะครับแต่ว่าสุขภาพาก็ค่อยๆดีแต่ก็ยังอยากพามาทำบุญเจาดี ด, ดีจิตอาสาแต่ต้องไม่ไม่ไม่ไม่ว่าจ้างกันน ะ, ะถ้าจ้างก็เป็นการเป็นการธุรกิจไปถ้าทำฟรีนี่ก็โอเคเอาคนนัดแนบถึงเวลาวันวันพ้านี่ท่านลงเทศนะไปไหมอะไรอย่างนี้นะไปสิ มีคำถามจากทาง y o u t u ู e นะคะจากคุณสติลค่ะ เมื่อก่อนพอมีความอยากความฟุ้งซ่านก็เฉยๆแต่พอมาปฏิบัติแล้วเมื่อมีความอยากความฟุ้งซ่านจะรู้สึกไม่ชอบอยากกำจัดออกไปรีบไปนั่งสมาธิบ้างเจ้าค่ะแบบนี้หนูทำถูกหรือไม่คะถูกแล้วละ ว, วิธีระงับดับความฟุ้งซ่างความอยากก็คือการภาวนาเบื้องต้นก็เอาสมาธิก่อนจเจริญสติพุโทโธพุโทโธสมถะภาวนา พอใจสงบแล้วความทุ่งสร้างก็หายไปความอยากก็ระ ง, งับไปชั่วคราวถ้าอยากจะให้มันหายไปอย่างถาวรก็ใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปหลังจากที่ออกจากความสงบมาแล้วก็พิจารณาเห็นโทษเนี่ยเวลาอยากแล้วใจเป็นยังไงเวลาใจไม่อยากแล้วเป็นยังไงเดี๋เห็นความแตกต่างว่าความอยากนี้ทำให้ใจเครียดทาให้ใจไม่สงบทำให้ใจวุ่นวาย พอความอยากนะ ง, งับไปใจสงบใจก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาหรือทำในสิ่งที่เราอยากทำนั้นต่อไปทุกครั้งเวลาที่เราอยากได้อะไรอยากอยากทำอะไรก็ให้พิจารณาว่าไม่อยากดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าถ้าสู้มันไม่ไหวก็ใช้ใช้สมาธิช่วยนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบ ต่อไปถ้าสมาธิเรามีกําลังมากขึ้นพอเราบอกเพียงว่าไม่ไ ม, ไม่ความอยากเป็นทุกข์มันก็จะไม่ไม่กล้าทํานะมันก็อยู่ความอยากได้อยู่เฉยๆดีกว่าแกวง่กวงเท้าไปหาเซียนทำไมเท้ า, รทารเราอยู่นี้ไม่เจ็บเราแกว่งไปเตะเซียนขึ้นมามันเจ็บได้ไประโยชน์อะไรได้แต่ความทุกข์ไปหาอะไรก็ต้องเจอแต่ความทุกข์ในในบ้านปลายแม่ไปเที่ยวเกาหลีดูเยดีไม่ดีไม่ได้กลับบ้านเลย ไปหาความทุกข์แต่ความหลวงมันบอกว่าไปหาความสุขกันเมื่อคืนนี้มีคนตายบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อคืนนี้ฮาโลวองฮาโลวีนเลยก็อารนี้แหละเพราะความความอยากหาความสุขจากการไปเที่ยวแต่ไม่คิดถึงความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาว่าความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ช้าก็เร็วถ้าได้ ได้ความสุขก็ติดอยากจะกลับไปทำใหม่ทำเหลือ ว, วันหนึ่งก็ต้องเจอทุกข์หรือถ้าอยากจะทำแล้วทำไม่ได้ก็ทุกข์อีกนั้นสู้มาทำใจให้สงบหรือหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากให้ได้พอเรามีกำลังมีปัญญามากเราก็จะไม่ทำตามความอยากได้แล้วต่อไปความอยากก็จะไม่มาสร้างความเครียดสร้างความไม่สบายใจให้กับเรา จากทางเฟ e บุ o k ค่ะจากคุณจรัญญาค่ะโยมพิจารณาเห็นว่าความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาค่ะโยมจะพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็พิจารณาไปเพื่อทำข้อสอบต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้เจอข้อสอบเพียงแต่ว่าเราทาการบ้านไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อน เด๋ยวเวลาเจอผมหงอกขึ้นมาเจอหนังเหี่ยวย่นขึ้นมาะจะได้ทําใจว่ามันความแก่เป็นธรรมดาห้ามมันไม่ได้แังนั้นไม่ต้องไปวุ่นวายเสียเงินเสียทองไปไปทําสัญญกรรมไปทําย้อมผมย้อมผ้าอะไรกันให้เหนื่อยก็ป่ะแล้วเวลาเกิดการเจ็บไข้ขึ้นมาก็เอะเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปทุกข์กับมันมันจะเจ็บก็รักษามันไป ไม่หายก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็หายเองวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วไม่หายเป็นก็หายตายไม่หายตอนเป็นก็หายตอนตายทุกโลกเนี่ยมันหายมันจะหายแบบไหนหายตอนเป็นหรือหายตอนตายหาที่สุดก็ต้องไปเจอโลกที่มันจะหายตอนตายคำถามจากคุณยูยูค่ะสรุป บุญทำให้ชีวิตเราเจริญขึ้นจริ ง, รงๆไหมคะหรือเป็นเพียงความสุขความสบายใจอ่าความสุขความสบายใจไม่ใช่เป็นความเจริญแล้วจะเป็นอะไรล่ะทุกวันนี้ที่เราทากันนี้ทาเพื่ออะไรเพื่อความสุขไม่ใช่เลย ดีความสุขแท้ความสุขปลอมนั่นเองความสุขทางราบยศเสรอเสริญ น, นี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วแต่ความสุขที่แท้จริงคือความสุขใจที่เกิดจากการทําความดีนี้มันจะอยู่กับใจไปชั่วฟ้าดินสลายคุณปางวันลามีคําถามเนื้อ ตอนนี้แฟนพันธ์แท้เป็นคำถามทุกวันเลยขอบคุณเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะสิละพัตปาระรมาเจ้าคะ่ะทีนี้เวลาที่เรามีคนมาทักหรือหมอดูก็ตามเจ้าคะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่พอเราฟังแล้วเนี่ยเราไม่ปฏิบัติตามนั่นหมายถึงว่าเราก็ยังไม่ไม่ได้ผิดสิละพะตัตปาะมาใช่ไหมเจ้าคะ่ะ คือเราเชื่อว่าสุขทุกข์ของเราดีช่วของเราอยู่ที่การกระทาของเราถ้าเราทำบาปก็ทุกข์ก็เลว ừ, เสื่อมถ้าเราทำดีมันก็จะเลิศ mm hmm. เราไม่ต้องไปทำตามหมอดูทำตามผู้โง่แห้งทาตามอะไรต่างๆเพราะมันไม่มันไม่ได้เป็นตัวที่จะกำหนดความสุขความทุกข์แก่ใจของเราได้ ในกรณีที่อย่างเช่นมีคนทักทายทัดมาว่าให้ทำแบบนี้แบบนั้นแต่ว่าเราใช้ปัญญาในการคิดวิจารณ์โดยเรียนทำจากพระอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยหมายความว่าเราใช้ปัญญาแก้ไขแล้วได้ใช้เหตุผลทำอย่างนี้แล้วเกิดอย่างนี้กับจิตใจเราให้เราดูที่จิตใจอย่าไปดูผลอย่างอื่นผลอย่างอื่นมันเป็นของที่ไม่แน่นอนทำบาปก็รวยได้ทำดีก็จนได้ มันไม่ไม่ใช่เป็นตัววัดเรื่องของผลของดีหรือเชื่อ <คะ S 2> ผลดีหรือเชื่อที่จิตใจเราสุขหรือทุกข <คะ S 2> ์เจริญหรือเสื่อมนี้เจริญเสื่อมทางจิตใจเร า, าจจะมองไม่เห็นใจเราอาจจะเป็นเทวดาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวใจเราอาจจะเป็นเปรตโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่มันมีถ้าศึกษาแล้วปฏิบัติมันจะเข้าใจเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยเจ้าค่ะ เวลาเราเราจะให้อภัยหรือเมตตาเขาเนี่ยเราต้องกระทําด้วยตัวของเราเองนี่อย่างคนกาท่าบอกว่าท่านนั่นก็คือให้สวดเอาเวลาฝนตุกแล้วก็กวดน้ําไปหนูก็มองว่ามันมันเป็นเพียง<ท>แต่กริยาไม่เป็การกระทําทางใจคใจยังไม่ปล่อยยังไม่อภัยเขาใจต้องไม่ไปฟ้องเขาฟ้องรองเขาไม่ไปตามเอาเรื่องเอาราวเขา ไปเข้าไปขโมยขึ้นบ้านก็ให้มันเอาไปที่เป็นการทำทานไปไม่ต้องไปแจ้งความแจ้งความก็ปวดหัวไปทุกกับตำรวจเลยอะตำรวจก็แจ้งแล้วก็รับทราบแล้วจบนก็เสียเวลามาเปล่าสู้ให้อภัยดีเปล่าได้บุญกว่าเยอะไปแจ้งความตำรวจเดี๋ยวไปโกรธตำรวจเลย ท, ทำไมไม่เดินเรื่องทันทีตำรวจเขาก็มีงานเยอะก็ต้องพูนเผื่อเขาาเขาก็มีงานงานเยอะเขาไม่ได้รับใช้เราคนเดียว เขาก็ม an <Luis exhibit: S 3> ีงานเยอะแยะที่ก <the> ็ต้องทำงั้นการให้อภัยดีที่สุดสบายใจคหมดเรื่องหมดราวไปเราได้ความสุขด้วยถ้าเราคิดว่าเป็นการทําบุญเออมันเดือดร้อนไม่มีทีวีดูมันอยากอยาเอาทีวีไปดูก็เอาไปเราเราจะได้เครื่องใหม่ด้วยได้ได้วินวินเขาเนี่ยได้ทั้งสองฝ่ายเขาก็ได้เขาก็ได้ทีวีเราก็ได้ทีวีได้ดีกว่าเก่าอีกส่วนเรื่องการให้อภัยจ้ะค่ะก็จะจะ ตะเสียหน้านิดหน่อยเพราะว่าเราต้องลดตัวตนลงไม่ต้องลดตัวตนเลยไม่เกี่ยวกับตัวตนเสียอะไรก็เฉยๆไปไม่ดําเนินการอะไรไม่ไปแจ้งความไม่ไปไม่ไปร้องทุกข์ไม่ไปทําร้ายของอยู่เฉยๆสบายอยู่แล้วไปสร้างเวรสร้างกรรมกันทําไมค่ะค่ะป้ากุนจ้ะค่ะคําถามจากคุณชิดชัยค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ทุกอย่างบนโลกการได้พบเจอลาจากไม่มีคำว่าบังเอิญใช่ไหมครับเพราะว่าบางครั้งไปอยู่ที่ไหนอาจจะมีผู้ประทำคำชุ่มคาชูตลอดเป็นบุญเก่าใช่ไหมครับมันก็เป็นหลายปัจจัยด้วยกันเนะ่ะบุญเก่าบาปเก่ามันก็เป็นปัจจัยอย่างหนึง่งจังหวะที่ได้พบปะ ก, กันก็เป็นเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึง่ง เขามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ปั๊บมาอยู่ตรงนี้พอดีเจอกันเข้าปั๊บถูกสเปกกันปั๊บมันก็เกิดผลตามมาทันทียัไม่มีความบังเอิญมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยของแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนที่มันทำให้มาเจอกันนั้นเท่า น, นั้นเองครับพูดเลยโยม <c ười> คือเมื่อครั้งที่โยมลูกสาวโยมแต่งงานแล้วเจ้าค่ะโยมก็ไปขอเลิกกับพระที่วัดบวอ พระที่วัดบวรท่านก็บอกมาว่าท่านเจรพลนะเจ้าค่ะเธอเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มหาพรมใช่หรือบอกใช่เจ้าค่ะเธอเลือกวันไหนที่เป็นเลือกสะดวกเป็นมงคลหมด โอ้ยงงโยมก็งงมันไก่ตาแตกความที่เชื่อว่าเลือมงคลเนี่ยโยมจะทําไงโยมก็เลือดจริงๆเจ้าค่ะด้วยใจที่ไม่ได้คิดอะไรเอาเลือกเอาเลือดเลือดเอ่อเลือดอะไรเลิอดสะดวกอที่วันที่โรงแรมไม่แพงแล้วเป็นวันหยุดคือวันเสาร์อาหารก็ไม่แพงโยมเลิกกันถูกต้องไหมคะแค่วันเสร็จเร้ยบางงานเน่ยเรียบร้อยเจ้าค่ะล้วไอ้เลือขายยาพทีนั่นแหละแต่พอดีเขาเลือกไทยว่าเป็นคนอะไรเนี่ยได้ บางคนโยนแต่งงนสามเดือนก็อยากกันกั็มีโยงก็ก้าห่างแล้วเจ้าก็เลิกเลยแล้วเขาจะหยากกันไม่หย่ามันไม่ได้อยู่ที่เลิกหรอกเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกกันอยู่ดีมันติดอยู่ในใจเออเราเลิกถูกไหมนะเราเลิกถูกไหมนะแต่ทาอะไรมันก็ต้องให้ทุกอย่างพร้อมท่านเองขว่าเลิกก็จะไม่มีอุปสรรคในการทําภารกิจ ส่วนนั้นอย่างฝลังเวลามันจะส่งจะรวยขึ้นอาวากาศมันก็ต้องมีเลือกของมันนะแต่มันไม่ไปขอพระหรอกมันก็ดูดูตามเหตุตามปัจจัยว่าอากาศพร้อมหรือเปล่ามีมีพายุหรือเปล่าอะไรต่างๆน้ํามันเติมครบหรือ ย, อยังอะไรมันดูดูเหตุผลก็ยังไม่เลือกสะดวก็คือเหตุผลครับมันนึอกอยู่ในใจเอ๊ะเราเลิกเลิกนี่มันจะเป็นมงคนนลหร้อเปลเป็นมงคลไหมเนาะคิดอยู่อย่างนั้นเลยนะคะ เราเชื่อแบบปงมงานยังไม่รู้ว่าควาว่ามงคลเป็นยังไงเสียได้ซ้ำไปงั้นก็เรื่องมงคล น, นี้สุขจริญนี้อยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่การแต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่งงานเล้กดีแต่ถ้าคนมันไม่ดีอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมันก็ต้องแยกทางกันจนได้แต่ถ้าคนดีรักกันเลิกไม่ดีเวลาเวลาแต่งงานฝนตกน้ำํำท่วมแต่อยู่ด้วยกันไปตลอดก็มีทุกขนะ ค่ะคไม่ทำให้โยมขาดกังวล น, นิดเดียว ค, คำถามจากคุณวิทลินค่ะคนที่เป็นจิตรกรวาดภาพหรือคนที่ชอบวาดรูปเป็นงานอดิเลตแบบนี้เรียกว่าหลงหรือมีโมหะไหมครับก็หลงในความสวยงามในในรูปในรูปที่ตนเห็นแล้วก็มาจินตนาการวาดภาพ มันก็มันก็ไม่เป็นคุณเป็นโทษมันเป็นกลางกลางถึงว่ามันไม่ได้นําไปสู่การทําบาปแต่มันก็ไม่ได้นําไปสู่การทําบุญมันก็อาจจะเป็นการเป็นการใช้อาชีพอย่างหนึ่งดํำรงชีพไปเป็นเป็นกลางกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่เป็นบาปบุญอกุศลคำถามต่อไปค่ะ การฝึกละสังขารในช่วงเวลากลางคืนจะทำให้เราโปรงและนึกถึงความตายทุกขณะจิตในช่วงเช้าที่เราตื่นขึ้นมาหรือยังมีชีวิตอยู่จะขอบคุณทุกครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่การปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่เช้่คะก็เป็นการทำการบ้านจะ ถ, ถูกไม่ถูกก็ดูตอนที่ใกล้ตายว่าใจเราสงบแล้ไม่สงบถ้าใจเราสงบไม่เดือดร้อนก็ถูกต้อง ถ้าไม่สมบตัวเองไม่ถูกต้องต้องดูผลที่จะเกิดขึ้นเวลาเจอข้อสอบคือความตายเช่นต้องไปผ่าตัดนี้ดูซิว่าใจเราเป็นยังไงใจเราเฉยๆไม่เดือดร้อนผ่าก็ผ่าตายก็ตายเป็นก็เป็นถ้าอย่างนั้นก็กถูกต้องแต่ถ้าคิดไว้มาถ้าเป็นแทบตายพอถึงเวลาทำข้อสอบตื่นเต้นตกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนี้ก็สอบตก คำถามต่อไปจากคุณวัชราค่ะทำยังไงถึงกล้าเผชิญความกลัวคะก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาบ่อยๆว่าในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่เรากลัวก็กลัวตายกันเป็นหลักเนี่ยถ้าไม่กลัวตายแล้วมันก็จะไม่กลัวอะไรเพราะสิ่งเลยมันไม่น่ามันไม่รุนแรงเท่ากับความตายคำ ถ, ถามจากคุณมีชัยค่ะ ศีลแปดนี้เหมือนกับการฆ่ากิเลสไปในตัวเลยใช่ไหมครับผมผมเข <โก S 2> ้าใจถูกต้องไหมครับเป็นการจับมันไว้ในคล้องศีลนี้เป็นเหมือนอค้องเพื่อที่เราจะได้เข้าไปฆ่ามันได้ง่ายขึ้นถ้ามันอยู่นอกข้องนี่เหนื่อยต้องตามไล่จับมันแต่ถ้าบังคับมันให้มันอยู่ในคล้อง ค, คือไม่ให้มันไปเที่ยวตามบาร์ตามผับไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปนอนมากเกินไปมันก็จะมี มีที่ที่เราจะจับมันมาฆ่ามันได้ง่ายขึ้นด้วยการภาวนาคําถามจากทาง u t u b e ค่ะเออจากคุณธีราชาติค่ะการเรียนรู้ทางโลกมากๆจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภายในไหมครับบางอย่างก็เป็นประโยชน์เช่น ท, ทางวิทยาศาสตร์นี่ก็จะเป็นประโยชน์ทางด้านปัญญาต่อไปได้เพราะทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นการคิดแบบตรร ก, กะคิดด้วยเหตุด้วยผลทางธรรมะก็เป็นคิดด้วยเหตุด้วยผล เหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องคิดนี้ต่างกันเท่านั้นเองทางโน้นเขคิดทางด้านวัตถุต่างๆทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นขึ้นมาทางธรรมก็เหมือนกันทําอย่างนี้แล้วก็จะได้อย่างนั้นเหมือนกันเพียง <im S 2> <im S 1> แต่ว่าผลและสิ่งที่เราทำนั <im S 1> ้นมันต่างกันเท่านั้นเองของเร า, เ, า, เ, ร า, เ, าเราเอาทางด้านจิตใจเป็นหลักเอาการกระทําเป็นเหตุและผลที่เกิดขึ้นคือความสุขทุกข์ใจเป็นผล ส่วนทางโลกทางวิทยาศาสตร์เขาก็ว่าถ้าทาอย่างนี้แล้วก็จะได้อย่างนั้นผลิตรถยนต์แล้วก็จะได้มีรถยนต์พาเราวิ่งไปไหนมาไหนได้อะไรทำนองนี้มัน ก, มนกม็มันก็มาในลักษณะเดียวกันใช้ความคิดแนวเดียวกันแบบเดียวกันแต่เรื่องที่เราจะคิดมันต่างกันทันเเราคิดเรื่องจิตใจทางวิทยาศาสตร์ก็คิดทางด้านวัตถุต่างๆฉั้นถ้าใครเรียนทางวิทยาศาสตร์หรือทาง เรียนทางแพทย์เนี่ยจะจะมีโอกาสที่เข้าใจธรรมะได้ง่ายกว่ายิ่งเพราะทางแพทย์นี่จะเรียนเรื่องเรื่อ ง, ร, องร่างกายจะรู้เรื่องร่างกายรู้อวัยวะต่างๆของร่างกายอะไรรู้ว่าร่างกายนี่นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้มันก็เป็นธรรมะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใช้เพื่อระงับความความโลภแค่นั้นเอง<ม>เวลาเวลาเวลาไปทํามาหากินก็เลมเรื่องความแก่ความเจ็บความตายไป แต่ถ้าเอามาใช้มันก็จะไม่รล้มันก็จะไม่โกรธไม่หลงคำถามจะคุณโค้ชค่ะการเอาชนะการย้ำคิดย้ำทำต้องทำอย่างไรคะก็ต้องใช้คำบริกรรมปลดคำบริกรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจมันไม่มีอะไรควบคุมอย่าปล่อยให้มันคิดด้เรื่อยๆถ้าปล่อยให้มันคิดเรื่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยไปแล้วจะห้ามมันยาก แต่ถ้าเราคอยเอามาคิดในทางพุโทโธพุโทโธหรือคิดในทางสวดมนต์ไปเราก็จะสามารถยับยั้งความคิดได้เวลาที่มันจะคิดไปนอกลูกนอกทางคำถามจากคุณจตุพรค่ะการฝึกให้เห็นขันห้าต้องทำอย่างไรบ้างเจ้าคะก็ต้องศึกษาไงเหมือนเราศึกษา เรื่องราวต่างๆนราศึกษาภูมิประเทศภูมิศาสตร์เพื่อเราจะได้รู้ว่าประเทศไทยตั้งอยู่ตรงไหนประเทศอินเดียอยู่ตรงไหนต้องมีการศึกษาขันห้าเราก็ต้องศึกษาว่ามันเป็นอะไรมันอยู่ตรงไหนรูปประคันคืออะไรก็คือร่างกายของเราเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยเรียกว่ารูปประคันที่มีอาการสาสองผมขนเล็บฟันนี่แล้วนี่ก็ศึกษารูปประคันอย่าง เวทนาขันก็คือความรู้สึกความเวลาที่เรารู้สึกทุกข์รู้สึกสุขไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็เรียกว่าเวทนาอันนี้อยู่ในใจเราสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งเราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สแสดงว่าเรากําลังใช้สังขารทํางานอยู่สัญญาก็คือความจําได้หมายรู้จําว่าเมื่อวานนี้ทําอะไรมาเราชื่ออะไรนี่เรียกว่าความจำเลือกสัญญา วิญญาณก็คือการไปรับทราบรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายพอตาลืมตาขึ้นมากะเห็นรูปพอหูสัมผัสกับเสียงก็จะได้ยินเสียงอันนี้เป็นหน้าที่ของวิญญาณนี่คือขันห้าที่ทำงานร่วมกันที่ทำให้เรามีชีวิตได้อยู่ก็เพราะขันห้านี้แต่มันเป็นของไม่เที่ยง ในที่สุดมันก็ต้องจบลงร่างกายถึงเวลามันก็จะต้องตายไปพอตายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ระ ง, งับการทำงานผ่านทางร่างกายชัวย่วคราวมันก็จะทำอยู่ภายในจิตของมันเหมือนตอนที่เรานอนหลับนอนหลับนี้ร่างกายเหมือนตายไปแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่หยุดทำงาน มันยังคิดปรุงแต่งได้กลายเป็นเรื่องราวที่เราฝันขึ้นมาก็เป็นการทำงานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนกว่ารเราจะได้ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่หรือตื่นขึ้นมาใหม่เราก็กลับมาใช้ใช้ร่างกายเพื่อที่จะไปหาลูกเสียงกีดลดมาเสพต่อไปคำถามจากคุณพรพันธ์ค่ะ ท, ทุกทุกวันพระจะไปทําบุญที่วัดหรือไปสวดมนต์ที่วัดทุกวันอาทิตย์คุณแม่ซึ่งป่วยติดเตียงอยากให้ท่านมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้น้อมจิตของคุณแม่ด้วยการนําทุบเทียนและดอกไม้ให้คุณแม่อธิษฐานแล้วเราไปไหว้พระบรมาธาตุแทนท่านทําแบบนี้คุณแม่ท่านจะได้บุญใหม่คะก็ได้อมิสบูชาได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นบุญส่วนส่วนน้อยมากก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลย ถ้าทางที่ดีทําได้เปิดธรรมให้ท่านฟังดีกว่าอันนี้จะเป็นปฏิบัติบูชาการฟังธรรมนี้จะได้ทําแล้วถ้าเข้าใจอาจจะบรรลุทำได้อยงั้นเอาฟังธรรมดีกว่าหรือถ้าท่านฟังธรรมไม่เข้าใจก็เอาเสียงพระสวดมนต์ให้ท่านฟังก็ได้ให้ใจท่านมีเสียงสวดมนต์หล่อเลี้ยงจิตใจดีกว่าความคิดความเครียดต่างๆที่จะสร้างความทุกข์ใจให้กับท่าน คถามจะคุณพุโทโธค่ะการภาวนาโดยกำหนดกาหนดลมหายใจเข้าออกจะทำยังไงไม่ให้สงสัยแล้วหลงทำผิดขั้นตอนครับ ก็ไม่เห็นมีอะไรต้องสงสัยก็ดูลมไปนั้นเองการภาวนาดูลมหายใจใค้ดูลมเหมือนดูหนังน่ะเวลาดูหนังเราอยังหลงอะไรหรือเปล่าไม่หลงใช่ไหมดูหนังใจหน้าเราก็จออยู่ที่จอเนี่ยดูกั็นอย่างนั้นไปดูลมก็เอาใจจอไปที่ปลายจมูกหรือว่าลมเข้าลมออกแค่นั้นเองมันจะไปหลงได้ยังไงจากคุณทิติชยาค่ะ สิ่งที่หนูปฏิบัติมาทําให้ร่างกายแข็งแรงถึงแม้เจ็บป่วยเป็นหลายโรคจนปัจจุบันความรู้สึกเจ็บป่วยแค่ผิวหนังภายในร่างกายถึงมีค่าผิดปกติแต่ร่างกายปกติเจ้าค่ะแต่ไม่สามารถหยุดการปฏิบัติเจ้าค่ะชีวิตมีแค่ฟังทาปฏิบัติทำทำงานหาเลี้ยงลูกและครอบครัวถึงแม้ร่างกายพิการแต่สู้ชีวิตเจ้าค่ะปัจจุบันพยายามสอนลูกหนูทาถูกไหมเจ้าค่ะ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 แล้วก็ดูผลคือใจเราสงบเย็นหรือไม่นะถ้าไม่สงบไม่เย็นก็ต้องฟังให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างอื่นก็ทำไปเท่าที่จำเป็นแต่สิ่งที่จำเป็นกว่าสิ่งอื่นก็คือการศึกษาการปฏิบัติทำเอาคำถามสุดท้ายนะวันนี้หมดเวลาละ ถามจะคุณแดงค่ะมีคนทักว่าทําบุญนี่จนลงแต่ทําบาป้าวัวควายรวยเอารวยเอาอันนี้เท็จจริงเป็นอย่างไรเจ้าค่ะจริงก็ทําบุญมันต้องเสียเงินเลยเหมือนก็ต้องจนลงเลยแต่ใจมันเจริญอ่ะใจมันเป็นสวรรค์ขึ้นมาทําบาปนี่มันรวยแต่ใจมันเป็นเปรดอะมันต่างกันตรงนั้น การทำทางศาสนานี่เราดูที่ใจไม่ได้อยู่ดูที่เงินทองอย่าเข้าใจผิดว่าทำดีแล้วจะร่ำรวยไม่ใช่อย่างนั้นทำดีแล้วจะยากจนก็ร้อยจากทีเก้าร้อยล้านเนี่ยมันจะจะไปรวยได้ยังไงแต่มันมีใจมันเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดแล้ว ดังนั้นมันอยู่ที่ใจการกระทําทางศาสนานี้เราวัดกันที่ใจสุขมากสุขน้อยทุกมากทุกน้อยเป็นสวรรค์หรือเป็นอบายนี่อยู่ที่การกระทําดีหรือกระทำเชั้อเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด